ประพรมน้ำพระพุทธมนต์พรปีใหม่นาะล้างความหายยะนะถ้าพูดอีกอย่างหนึ่งค็ว่าล้างความสวย <c oughs> เมื่อปีที่แล้วล้างมันสิ่งที่มันไม่ดีออกนะรับแต่สิ่งที่ดีประพรมน้าพระพุทธมนต์เป็นชลิปนเป็นมงคลเพราะน้ำพระพุทธมนต์เป็นชัยยมงคลคาถา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 ถ้าสิ่งไหนก็ตามถ้าอยู่ในกรอบของศีลธรรมให้สำเร็จสมความโ ม, มาะปราถนาของทุกทุกท่านที่หลวงพ่อประพรมน้ำพุทธมนต์ไปเนี่ยเพราะนั้นขอให้พวกเราคนณะสัตยาติโยมทุกทุกท่านอย่างที่หลวงพ่อได้เรียนให้ทราบว่าตั้งแต่ออกพรรษามาเนี่ยหลวงพ่อโอ้โหปีนี้นะ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 ผลงานออกมาก็เป็นที่พอใจโรงทานทั้งหมดประมาณพัน0กว่าโรงนะโรงทานนะพระสงฆ์ที่จดทะเบียนไป็น8่0แกว่ า, าที่วันที่มันที่หเนี่ยจดไม่ทันนะเพราะหลังเข้ามาเนะี่ยอันนั้นแต่ดูๆแล้วเขาบอกว่าพระในวันนั้นนะ่ประมาณหมื่นกว่าองค์งานหลวงปู่จามาแล้วก็ คนเนี่ยประมาณการกันประมาณแสนกว่าป่ะนะแต่เปียกเพียก็ลงตาแล้ว ก, ยยกยนะ็ยังน้อยกว่าลงตาเยอะนะยังน้อยกว่าลงตาเยอะแต่ทุกอย่างก็รู้สึกว่าเรียบร้อยลาบรื่นดีเรียบร้อยลาลยบ ล, าลื่นดีทุกอย่างงานของหลวงปู่จามแต่แปลดแปลกก็คือทางทางภาคเหนือเขาทำนกขัดสติลิงอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็น เออตกหัดจลีเลียงมาอย่างไงคือหลวงปู่จามเนี่ยพอท่านบวชมาเมื่อท่านสมัยก่อนท่านเป็นเนรของหลวงปู่มั่นนะปู่จามเลยนะเป็นเนรของหลวงปู่มั่นบวชเมื่ออายุ14ปีเป็นหมูเพื่อนกับหลวงปู่ชิมปู่ชิมพุทธจยาโรธรรมพระปองนะเป็นมูเพื่อนกันเป็นผููไทยด้วยกันนะแต่ปู่ชิมเนี่เป็นเนรใหญ่ปู่จามเนะ่ยเป็นเนร น, น้องเมื่อนกันนะสิปดกับ14ปสีนะ่ะ เออท่นี้ก็ท่านพอบวชเข้ามาแล้วสมัยนะั้นเขาเรียกว่าเป็นโรคเนบชาเนบชาเนี่ยคือเป็นโรคร่อยหมดกําลังให้เขาบอกขาดขาดขาดวิตามินเอ ว, วิตามิน B ีหนึ่งทนะวาทุกวันนี้นะเนว่าแข็งขาเนี่ยหมดกําลังแต่นั้นพอท่านั้นก็เลยศึกลาาศึกขาเมื่ออายุ1819ปีพอลาศึกขาออกมาแล้วก็พ่อพ่อกับแม่เนี่ยบวชป่ะเนี่โยมปู่ก็โยมย่าของหลวงพ่อเนดดี่ยบวชเลย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 ลงุงปู่จามก็อายุที่ส9เปีเป็นนมใหญ่เลยทเนยจะแต่งงาน เ, นเขาบอยบอกแม่เป็นแม่ชีคุณแม่ครับผมคนจะได้แต่งงานมีครอบครัวกับเขาบ้างนะทางแม่ก็เลยบอกว่าเออลูกเอยถ้าแต่งงานแม่ก็เห็นด้วยหรอกยินดีด้วยแต่ถ้าหาว่าลูกบวชนะแม่จะยินดีมากกว่าออถ้าลูกบวชแม่จะ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 30กว่าปีนะท่านไม่เคยกลับมาบ้านเลยเพราะก่อนบวชแม่ก็บอกนะเลลูกเอ้ยออคูบาไม่ต้องห่วงแม่เน้อเพราะว่าลูกแม่เนี่ยปีนักแปดกคนคูบาไปองเดียวไม่เป็นไรหรอกออพวกน้องๆพวกพี่เขาดูแม่ดูแลแม่ไดเ้เพราะว่าลูกก็ไปแต่ตามลำพังพี่น้องเขามีไร่มีนามีรั้วมีสวนทำมาหาเลี้ยงชีพเลี้ยงแม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงพ่ อ, เ ล, พอเลี้ยงแม่ได้ ไม่ต้องห่วงครูบาจะไงจะพ้นทุกในวัฏฏะสงสารไปเลยไม่ต้องห่วงหนะลวงปู่จามก็ไปเลยโรออยงงานเด็กไปไม่บีไม่เหลี้ยวหลังได้ตั้ง30กว่าปีนะอพอในสุดทางโยมทางเชียงใหม่เขาก็ถามว่ า, าท่านอาจารย์เจ้าท่านอาจารย์มีมีแม่มีป่อยังอยู่บ่อจ่ะน่ยยังโยผมว่าเอาเขาเขาจะไม่คิดถึงท่านอาจารย์เจ้าเหรอคุณแม่เนย เออไม่เป็นไรหรอกท่านไม่ให้ไม่ให้คิดถึงคุณโอเดอแม่ไม่ให้คิดถึงเพราะคนอื่นเรี้ยงดูความมีอยู่แล้วถ้าว่าไม่ใช่แล้วท่านอาจารย์จาถึงยังไงก็ลูกตัวเองเนี่ยต้องคิดถึงอ่ท่านอาจารย์เป๊กไปเยี่ยมแม่ก็ดีนะเดี๋ยวจะตีตั๋วเครื่องให้โยมเชียงใหม่เขาเลยตีตั๋วเครื่องให้ท่นเนี่ยลงมากกมาลงมากรุงเทพมังคุเทศก็ได้ตีขึ้นไปนครพนม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 ราะว่าลวงตาพูดถึงผู้ใหญ่โจมเลยแหละที่ี่ท่านไปอยู่ห้วยทรายลุงตาไปอยู่ห้วยทรายดเดนบอก ว, ว่าผู้ใหญ่โจมเนี่ยไอไอไนายอำเภอนายอำเภอเหมดังดังดังบี้นะลุงตาว่านะดังดังแบบนะดังบี้ผู้ใหญ่โจมเนี่ยแต่งตัวเหมือนข้าหลวงแต่เขียนหนังสือเหมือนไก่เขี่ยวลุงตาเคยพูดนะ พวกเราได้ฟังเทศหลวงตาหลวงตาจะพูดอย่างนี้แหละอันนี้แหละคือผู้ใหญ่โจมเนี่ยน้องชายของหลวงปู่จามเป็นน้องน้องของยงพ่อเนี่ยท่านสดิทกับหลวงตาเลยแต่เนี้ท่านเขามามากระถามน้องชายนะไ อ, อ้ผู้ใหญ่โจมพ่อ ย, ยิ้มอยู่ไห น, น, อไหนโอ้ต้องทายเป็นอาจารย์มาตัวเนี้ยเหมือนกันอ่าพอนี่ยพวกเราก็ดีใจเลยท่านี่กรลงไปหาคุณแม่คุณแม่บวชมาที่30สกว่าปีเลยเด้เ แม่ของหลวงปู่จามเป็นแม่ชีนีบวชได้สาปีละพอลงไปท่นี้พ่อไปเห็นพ่อได้ยินว่าอาจารย์จา ม, ม่าแม่เหม่อนเออฮะไผก็อาจารย์จา ม, ม่าพ่อได้ยินว่าว่าอาจารย์จามท่นนั่นแหละผู้แม่เป็นแม่ชีเนี่ยร้องไห้โอ้ดีใจคนดีใจก็ร้องไห้ใช่ไหมร้องไห้วกหลวงปู่จา ม, มาว่าเฮ้ จะไปร้องไห้มาได้เดี๋ยวกลับไม่ขึ้นกุฏนะิเท่าไงนะเออจะขู่แม่อีกต่างหากเท่าไงเถอะเออถ้าว่าวจะร้องร้องไห้อยางไงจะไม่ขึ้นกุฏิเ อ, อท่านจะกลับไปกลับไปแล้วางนันผู้แม่เนียกลัวลูกชายจะกลับหายเงียบปึ๊บเหมือนกับเหมือนกับเด็กเหมือนกับเหมือนกับเด็กร้องไห้แล้วได้ยินผู้ใหญ่ไม่ให้ขนมอย่างนั้นแล้วางั้นเถอะเ อ, อหายเก็บเลยคุณแม่จากนั้นก็ลงปู่จามก็ขึ้นไป เดิก็ไปก็ไปไปเห็นแม่อายุจึงจะเข้า70กว่าแล้วท่านนี่นี่แหละนี่แหละหลวงปู่จามท่านไปอยู่ทางเชียงใหม่ตอนนี้ท่านไปอยู่ทางเชียงใหม่ท่านก็ไปเทศอบรมพี่น้องประชาชนสั ท, ท, ทยาญาตณจมในจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้ท่านก็นมาที่ลําปางพ่อเลี้ยงหลวงพ่อของหลวงนี่แหละหลวงพ่อไผ่บูนพะยานี่นะเจ้าคุณไผ่บูนพยาวนี่นะ เป็นลูกศิษย์ของพ่อเลี้ยงเป็นลูกของพ่อเลี้ยงลูกศิษย์หลวงปู่จามวะเนี่ยหลวงปู่จามไปเทศให้พ่อท่านฟังจากนั้นพ่อท่านก็โอ้เป็นลูกศิษย์ลูกหาหลวงปู่จามไปที่ไหนติดส้อยห้อยตามนับถือเลื่อมใสพ่อต่อมาพ่อของท่านพ่อหลวงพ่อปิ่นปูนก็เลยตายหลวงพ่อปิู่นนันเท่านก็บวชพ่อบวชแล้วไม่ศึกเลยนี่ยหลวงพ่อปพบนปูนพะเยาน่ะจนได้เป็นเจ้าคุณเทพกรทั่งทุกวันนี้แหะ พอจากนั้นท่านก็พอหลวงปู่จามมรณภาพเลยท่านก็บอกว่าพ่อของท่านเนี่ยเคารพหลวงปู่จามนี่แหละสาเหตุที่มีนกคัจตริลิงนะพ่อของท่านเนี่ยเคารพหลวงปู่จามแล้วก็ท่านก็ท่านเจ้าคุณเนี่ยก็ได้อิทธิพลมาจากพ่อพ่อเป็นผู้แนะนำํำสั่งสอนเรื่องศีลธรรมจนได้บวชบวชแล้วไม่ศึกกระทั่งทุกวันนีเน้เจ้าคุณภัยบูรณจังหวัดพะเยาเป็นเจ้าคณะภาค ทางภาคเหนือน่ะท่านก็บอกพอหลวงปู่จามมรณภาพเสร็จแล้วท่านก็บอก อ, อหน้าเจ้าอันเป็นสั ญ, ญลักษณ์เอกลักษณ์ของภาคเหนื อ, อ, อไปแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตาในงานศพของหลวงปู่จามแหมก็เลยไปพูดกับเจ้าอาวาสพปทั่วเจ้าอาวาสก็เลยบอกว่ารับก็ชุดแท้แต่ท่านเจ้าพลจากนั้นท่านก็เลยเอาให้ช่างออไปทำทำเป็นนกหัดสีรีลิง เ, ออเข้าไป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 เออแล้วก็มีงวงอีกต่างหากมีไงอีกต่างหากหัวช้างใช่ไหมหูก็หูหช้างใช่ไหมเออเวลาน่ะมันเข้าไปมันลืมตามันมองซ้ายมองขวาได้อีกว่างั้นเถอะเอองวงมันกันเนีว้านู้นขว้านี้ได้อีกว่างั้นเถอะแต่ที่ไหนได้เข้าไปอยู่ข้างในมีคนเข้าไปอยู่เกือบสิบคนนั่นแหะไปชักใหญ่อยู <m> ่ <uch ing> ไปชักใหญ่อยู่ในท้องนกขากจะดีลีกว่างั้นเอะอคืออยากจะให้มันลืมตาชัดตัวไหนว่างั้นเถอะอยากจะให้มันงวง มันไหวกชักตัวไหนว่างั้นเถอะคนเขาอยู่ข้างในวันนั้นแะแต่ทนีนี้บางคนก็ถามว่าเอ๊ะนกขัดจีดีลิงนี่มันมีจริงหรือเปล่านกขัดจีีลิงเนี่ยในพระไตรปิฎกนะมีนกขัดจีีลิงในพระไตรปิฎกมีคือสมัยหนึ่งพระเจ้าเมืองอุดเชนีอุดเชนีก็อยู่ในในแคว้นของอินเดียนั่นแหละ เ, เมืองอุดเชนี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 นางอัคคมเหสีเนี่หมผ้ากำพลสีแดงผมตุ้มผ้ากำพลสีแดงเพราะมันหนาวใช่แล้วก็นั่งคุยกันอยู่ในในข้างนอกในปราศาสตร์เต็นนกหัดชะดีเลงมันบินมาจากท้องฟ้าพอเห็นเข้าไปมันว่าชิ้นเนื้อใช่ไหมเพราะผมผ้ากำพลสีแดงน่นกหัดชะดีเลงกับหบปีลวมาก็โชบลงมา มาเอ๋มาจะมาเอ๋มาเอาชิ้นเนื้อนะ่ะนะทีนี้พระเจ้าอุเทนที่นั่งคุยกระโดดขยเเยงหนีทั้งที่จะช่วยช่วยเมียขอยงนั่นเถอะิดทั้งที่จะช่วยอากาวมเหสีช่วยแม่บ้านนะกระโดดแยงเข้าไปหาที่หลบของนั่นเถินกฮัจะดีเรียงนะขยุ่มขยุ่มได้ชิ้นเนื้อนะ่ะที่เป็นที่ผ้ากำพลหุ้มตัวเองนะ่ะสีแดงนะ่ะพอขยุ่มอยู่ในอุ้งมือพน พอนางพอจุ้มเมันบินเลยนีบินเข้าไปมันไปป่าป่าฮิมอพานเนะ่ะพอมันบินไปทีนางคนนี้ก็อัคคีเมสีกมีสติโอ้ถ้าหากว่าเราจะร้องโวยวายมันอาจจะวางเราอาจจะตกลงมาจากอากาศถึงตายได้เอาเถอะเราจะต้องอดกั้นเพราะนนางก็เลยอดกั้นไม่ร้องพอนกตัวนี้ก็บิดบินบิ น, บ น, บนไปถึงป่าไปเห็น ต้นงิ้วขาใหญ่ที่มันเคยกินอาหารเนี่ยมันเคยเกาะนะมันไปที่นี่มันก็เลยวางวางชิ้นเนื้อนะ่ะคนก็นเลยไปอยู่ในง่าโคบไม้พอทางปลอดภยัยนางก็เลยตะโกน เ, นเออร้องอย่างเสียงเออเสียงมนุษย์ขึ้นมานองหัทนกฮัทดีเรียงมันก็ ก, กลัวมนุษย์เหมือนกันใช่ไหมพอได้ยินเสียงยเปิดบินออกไปกันแต่นี่นางอัคคมเหสีเนี่ยท้องใหญ่เลยแปดเกเดือนเลยทีนี้พอ นกพัดชดีเรีงไปแล้วพ่อตกตอนเย็นนะ่ะนางนก็คลอดลูกบาดเลยเอพอลอกลูกก็ฝนโตไอ้ต่างหากพอในสุดนางก็เลยอยู่ในอยู่ในต้นต้นไม้ใหญ่ต้นงิ้วใหญ่นั่นนะทั้งคืนเลยพอจวนสว่างอันนี้มาในพระไตรปิฎกได้หลวงพ่อพูดฟังหรือเอาพระไตรปิฎกมาพูดให้ฟังเนาะนกขัดชดีเริงเป็นมาอย่างไงนะแต่นี้ก็ นางนั้นก็อยู่ในอยู่อยู่ในนั้นอะ่ะแต่ในวันนั้นอะ่ะมันหนาวเลยือศีอยู่ในป่านี่ยตามปกติลือศีอยู่ในป่านี่ท่านก็ไปหาผลละมากรากไม้เง่าบัวบ้างเผือกมันบ้างใบหมากเม่าบ้างมากินแต่วันนั้นลือศรีนี่ก็ไม่รู้จะไปหากินอะไรมันหนาวเหมนกันตเอตามปกตินี่นกขัดจะดีลิงเนะี่ยมา ก, ก่ออยู่ต้นไม้ตัวนี้เนะี่ย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 พอไปถึงใต้โคนต้นไม้กาลังหาเก็บอยู่ได้ยินเสียงเด็กมันร้องให้อยู่ในบนยอดไม้นะีเสกเสียงหรูอ้ามันเสียงโคนนะเนี่ยดูสีเนี่ยเราบอกอ้อ า, ยอยข า, าออวา ข, าข่าอยู่ข้างบนนางอัคคมเหสีบอกว่าข้าข้าอยู่ข้างบนนอ้าวลงมาได้ไหมเดี๋ยวจะขึ้นไปรับจะขึ้นไปเอาทางนางอัคคมเหสีบอกว่าฉันเป็นกษัตริย์นะ ฉันเป็นกษัตริย์เธอเป็นใครอยากขึ้นมาแตะต้องฉันไม่ได้นะคือคนทางทางอินเดียเขาถือวันณะสีใช่ไหมละ่ะกษัตริย์พาราหมณ์พแพทย์สูตรนี่นะเดี๋ยวนี้เข า, าก็ยังถือกันอยู่นะคนอินเดียเนี่ย เ, เขาถือถือถือวันณะสีกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรอันนี้านางเป็นกษัตริย์ฉันเป็นกษัตริย์ท่านเป็นใครขึ้นมาไม่ได้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 ทีนี้ลือสีก็เลยแสดงมายากระสัตรให้ดูพอแดงก็สรนางก็ เ, เออเข้าใจอืมใช่เป็นกระสัตรจริงถ้าเลขโกลชั้นเชิงนี้กระสัตรเท่านั้นจึงจะรู้ไดออ้จากนั้นนางก็เลยเอาขึ้นมาได้ก็เลยขึ้นมาเขาก็เลยเอาลูกชายลงไปนางคนนี้ก็พยายามลงไปไปสู่ข้างล่างออจากนั้นก็ได้ไปลือีก็เลี้ยงออในฐานะออลูกหลาน ต่อมาก็นี่แหละพญาอุเทนเนี่ก็เมื่อต่อมาท่านฤาษีคนนี้น่ะท่านเป็นผู้รู้ดวงดาวดวงดาวในท้องฟ้าท่านก็มองขึ้นไปเห็นท้องฟ้าเออพญาอุเทนพ่อของ เ, ออเด็กหนุ่มเนี่ยชื่ออุเทนมั้งกันนะตายแล้วงั้นก็เลยมาพูดให้อัคคะมิเหษสีฟังว่าเนียพญาอุเทนในีตายแล้วนะ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 คือแหวนน่ยแหวนในวงหนึ่งเพราะว่าในขณะที่นั่งอยู่กับพระบิดาของเจ้านะ่ยแม่ได้ถอดถอดแหวนจากมือของพระบิดาคือพ่อของเจ้ามาสวมมาสวมใส่มาสวมใส่สสนิ้วของของแม่ใครเข า, าถอดแล้วก็สวมดูมันเป็นยังไงละะักษณะพอดีในช่วงนั้นนกขัจดจันรลิงมาเอาพอดีเพราะฉะนั้นเวลาลูกไปถึงเมืองอุดเชนีแล้วนะ่ะ ให้แสดงของสองอย่างนี่นะให้กับพวกผู้ใหญ่พวกคณะองค์ข้ามนตีทั้งหลายให้เขาเรารู้ว่านี่คือฉันผมเนี่ยเป็นลูกของอคาเมเหสีของพระเจ้าอุเทนที่นกฮัตติเดลิงโชบไปในคราวนั้นผมเนี่ยเป็นลูกของท่านนี่เครื่องหมายก็คือผ้ากำพลผืนนี้และกระทำมาลงวงนี้แสดงให้เขาเขารู้เขาจะรู้ได้โอ้ใช่ ลูกจะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินต่อไปแม่สั่งจากนั้นทาพระเจ้าเท น, เนก็ไปตามที่พระฤาษีสั่งไปถึงเมืองก็เลยแสดงตนให้ปรากฏก็ไ ด, ได้เป็นได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินนี่นแหละคือความเป็นมาของนกนกขัจธดีลิงมีว่างั้นเถอะตัวใหญ่พอสมควรขนาดขายุมเอาคนไปทั้งคนได้ในพระไตรปิฎกนะ แต่รูปร่างลักษณะทั่าของมาในบรรยายว่าเป็นรูปลักษณะอย่างไรแต่หลวงพ่อก็มาเห็นจุูที่เมนหลวงปู่จามในงนเถอะหวัวเป็นช้างออแล้วก็มีงวงออแล้วก็มีงาอีกต่างหากในงนเถอะแต่ตัวปัดเป็นนกปัดนี่ตีนก็เป็นนกเอาแล้วนะที่นี่นะออพรปีใหม่นะคณะสัตยาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะแต่ว่าถึงอย่างไรให้พวกเรามีความตั้งใจมั่น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 อย่างนนะีอย่างทุกวันนี่อย่างที่อยู่ในกรุงเทพนี่พระก็มีนะศรัทธาญาติโยมโลกลานถ้านหลวงพ่อไม่พูดให้ฟังพวกเราคงจะไม่รู้เหมือนกันว่าพระแตกกันยังไงฮะพระพุทธเจ้าของเรานี่นะสมัยนั้นท่านเสด็จประทับอยู่ที่กุงโกสัมพีโกสัมพีเมืองเป็นเมืองหนึ่งของในอินเดียนะเทนี้ก็มีพระภิกษุสงฆ์พันกว่ารูปอยู่ด้วยกันแต่พระภิกษุสงฆ์ พันกว่ารูปนี่ เ, เป็นสองฝ่ายคล้ายๆว่าพวกที่สนใจเรียนกฎหมายาคือเรียนกฎระเบียบเกีย่ยวกับวิัย์รนแลว่าวิัยคือกฎหมายคือกฎระเบียบการปกครองสง์แล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งนั่ว่าวิทย์ในธรรมะกระถึกธรรมะกระถึกนั่นคือพวกแนะนําสั่งสอนเรื่องสมาธิอย่างนี้ปัญญาอย่างนี้การคลองชีพอย่างนี้าการดารงชีพของพระสงฆ์อย่างนี้ สรุปแล้วก็คือไปสองทางคือการปกครองและก็ทางด้านจิตใจในกลุ่มพระสงฆ์ในกรุงโกสัมพีนั้นแหะต่อมาที่นี่พระสงฆ์สององค์สองคณาจารย์ใหญ่เนี่ยจะเป็นลกสศิษย์พระพุทธเจ้าเหมือนกันนะแต่วันหนึ่งพระที่เป็นธรรมมกระถึกเนี่เข้าไปในห้องน้ํำเข้าไปในส้วมเป็นห้องน้ํา ไปก็เลยไปตักน้ำชําระตัวเองเมื่อทำถ่ายเสร็จแล้วนะก็ล้างตัวเองแล้วก็ขังน้ำไว้ในกระบอกในในกระบอกต่นนี้พระวินัยธรเนี่ยเข้าไปพระรักษาวินัยเนี่ยเข้าไปไปเห็นน้ำในกระบอ ก, นะออ ก, น, กนั่นนเอ๊ะพระทรมกระถึกเนี่ยทำไม่ถูกแล้วเนี่ยพระพรเจ้าบัญญัติว่าภิกษุใดก็ตามเข้ามาใช้ห้องน้ำเมื่อตักน้ำแล้ว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 เทนี้ก็พะระทำมกระถึกเนี่ยพอใช้เสร็จแล้วท่านก็ไม่ได้ข้อขวัญเพราะท่านยังไม่รู้วินยัยเพราะพระพุทธเจ้าบัญญัตผู้วิ น, ยนัยถรนเขารู้จักว่าผิดกฎผิดกฎหมายและผิดกฎกติกาแนละ้วแต่นี้พระวินัยรก็เข้าออไปก็ไปเห็นน้ําขังเออาจารย์ทำมกรถึกเนี่ยโกงไม่รู้วินยัยอีกตัวนี้ละมั่งเลก็เลยออกมาออกมากับยท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ทําไมขังน้ําในกระบอกขังน้ําไว้ในขัน พระพุทธเจ้าบัญญัติว่าปรับอบัตดทุกกฎนะเอะกษุใดก็ตามขังน้ําไว้ในขันนี่ปรับอบัติทุกกฎทางธรรมกรถึงนี่ว่าโอ้อาจารย์ครับผมไม่รู้ผมเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่าโอ้ใช่พระธรรมพระวินเนธรก็ว่าใช่อันนี้พระพุทธเจ้าบัญญัติแล้วครับอาจารย์ต่อไปท่านอาจารย์อย่าทํานะครับถ้าท่านอาจารย์ไม่รู้ไม่เป็นอบัติเพราะไม่รู้ในเมื่อไม่รู้ไม่เป็นอบัติ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 จึงรู้ว่าเป็นอาบัตนั่นแหละไม่ไปศึกษาไปแต่ศึกษาธรรมไม่ศึกษาวินัยเลยเป็นอาบัตก็ไม่รู้ว่าเป็นอาบัตทะ้งนีน้ลูกน้องวินัยธรนี่ยก็ไปพูดให้ลูกน้องธรรมกะก็ะเถิกฟังทีนี้ไอ้ทีละกดจะทะเลาะกันนะบอกว่านี่แหละอาจารย์ของท่านนะผิดวินัยนะไปขังน้ําไว้ในกระบอกเป็นอาบัติทุกกฎทางอาจารย์ธรรมกะก็ะเถิกบอกว่าอ้าว เป็นยังไงเพราะว่าผมก็บอกแล้วว่าบอกกับอาจารย์พินัยทรแล้วปะผมไม่รู้ในเมื่อไม่รู้กับท่านก็บอกว่าไม่เป็นอาบัติผมก็ไม่เป็นอาบัติทาไมจึงว่าพินัยทร์เนี่ยทำไมพูดกลับไปกลับมาอย่างนี้วะแสดงว่าพระวินัยทรเนี่ยพูดสับปรับพูดโกหกเป็นอาบัติปาจิตติเออพอพูดไปอยู่กระล่องกระลอยเออคืออาจารย์อาจารย์อาจารย์ทำรรมกุฏเถนี่ สายอาจารย์วินัยถอนว่เป็นอาบาัติปาจตติข็อหาหนักกว่าเอ า, อางนันเถอะข้อหาหนักกว่าที่นี้ก็สองคณาจารย์ก็พอเนี่ก็กตั้งป้อมสู้กันลเลยทีนี่ต่างวิญญาลูกศิษย์เป็นคนละห0 0ร้อยใช่ไหมเพราะพระเจ้าเป็นประธานสงฆ์ที่โกสสมผีตถะโยศพวกท่านทั้งหลายอย่าทะเลาะกันของเพียงเล็กน้อยเท่านั้นให้เข้ากันซะอย่าไปทะเลาะกันพวกสององค์นะโอ้ขอพระองค์ยง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 พอหนีไปเด็พวกเราไปเห็นแม่ที่พระพุทธเจ้าเป็นนั่งยอนเป้าบาดตรงนี้แหละก็มีลิงก็มีช้างเนี่ยนี่แหละปีนั้นแหละพระพุทธเจ้าหนีจากพระสงฆ์โกสัมพีนะไปอยู่องค์เดียวในประวัตินะพระองค์ไปนั่งไปอยู่ในป่าองค์เดียวป่าเลไลมีช้างกับลิงมาปฏิบัติพระนนท์ก็ไม่เอาไปด้วยนะเพราะเอาพระนนท์ไปด้วยเดี๋ยวพระนนท์ก็จะเป็นเป็นผู้นําพระสงฆ์กลุ่มนี้อีกพระองค์มองมองอนาคตแล้วแต่นี้พระพระองค์หนีไปที่ไหย เพราะนี้ไปทานนั้นบอกพวกชาวบ้านเขาบอกว่าพระโมนีหัวด้อพระพันก็องนี่ขนาดพ่อห้ามไม่ฟังพระพุทธเจ้าห้ามไม่ฟังจนถึงกับพระพุทธเจ้าหนีออกจากวัดพวกเราจะใส่บาตรให้ฉันพระมมนี่าแลจากนั้นชาวบ้านเขาเลยไม่ใส่บาตรให้ฉันบาทนี่พระไปเป็นาบาตรไม่ได้ฉันอาหารใี่ไหโอ้ยสองสาวันเท่านั้น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 ในข่าวนั้นล่ะพระพุทธเจ้าหนีหนีออกจากเมืองโกสัมพีแล้วท่านท่านก็เดินทางไปไปในระหว่างทางเนี่ยก็มีพระอนุรุทธะกิมพริวัคคุพัทธิยะที่เป็นเสื้อพวงของพระพุทธเจ้าที่มาจากกรุงกระบินแลพัดน่พระอนุรุทธะเนี่ยก็คือเป็นลูกผู่น้องของพระพุทธเจา้าคื อ, อ, อพ่อของพระ อ, อ น, นุนก็เป็นน้องของ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 องก็เข้าไปแว่เออไปไง่าพวกท่านสุขกเกษมสําราญอยู่เหรอพระเจ้าขา่าเพราะว่าท่านเป็นพระรหารทั้งหมดทั้ง4องค์อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกเกษมสําราญมีความสุขทุกอย่างครับผมมีความพร้อมเพียงสมัครีดีทุกอย่างครับผมพระองค์บอกว่าโอ้พวกท่านทั้งหลายนี่เราหนีออกมาจากโกสัมพีนี้พระทะเลาะกันพระเป็นพันก็รูปเราห้ามก็ไม่ฟังทะเลาะกัน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 แล้วก็ลงไปท้องนาลงชายทุ่งลงรานหญ้าเออก็ลงไปพอต่อมาเท่นี่มีน้องมีนกรองหัวหน้าเท่นี่เอ่อคล้ายๆกับว่ า, าหาเรื่องหัวหน้าเออหัวหน้าเนี<ฮ>่ยหัวหน้าเนี่ยเห็นแก่ตัวมากเห็นไหมลนะ่ะเออพอบินลงไปแล้วัตวกินตัวเองลงไปก่อนกินก่อนอิ่มก่อนแล้วกไ็ไม่ให้เวลาลูกน้องเลย พอพวกเราลงไปก็น่นะบินขึ้นมาแล้วเออเอาไปมากับพวกนี้กับโมโหกับเย็บเนี่ยเยบหลังกันบ้างก็โมโห้กันทะเลาะกันนกทั้งหลายก็เลยแตกแยกกันเลลองหัวหน้ากับหัวหน้าเป็นสองพวกเนี่เพราะว่าความไม่ลงรอยกันเพราะมันหาเรื่องมันหาเรื่องใส่กันเนี่ยก็เห็นโทษกันคนหนึ่งเห็นโทษทางหนึ่งคดีเที้ยวเพราะนี่นกฝูงใหญ่เจ้านะกั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 ไอ้ตาข่ายที่มันค้อง น, นี่พดขึ้นไปไปก็ไปเทึงหย่นบนบนยอดไม้เห็นไหมจากนันกน ก, ก็นกต่างตัวต่างหลบหนีแปลว่าตาข่ายของนายพานี่หมดไปหลายหลายตาขา่ายเหาือนนเถอะกับนกฟูงเน่เนะี่พอต่อมานกฟูงเน่ท่นี่มันแตกกันเป็นสองพวกท่นี่พอลงไปจะได้ตาข่ายมันกับอีอย่างเก่าเหมืนกันพอตาพอมันฟุบกันไม่ หัวหน้า <watering>, ก็สั่งว่าเอ้าบินพอบินมันบินกัไอ้พวกที่ลองหัวหน้าพวกเราไม่ต้องบินไอ้ใครเก่งบินไปพวกเราไม่ต้องบินลองหัวหน้าสั่งไม่ให้ลูกน้องบินลูกน้องเชื่อเชื่อหัวหน้าตัวเองไอ้หัวหน้าใหญ่มันก็พาบินบินมันก็ไม่ขึ้นกําลังไม่พอใช่ไหมล่ะบินไม่พอทีนี้พอมันก็เหนื่อยพอเหนื่อยพวกลองหัวหน้าเอ้ยพวกก่อนไม่ได้เรื่องเอาพวกเราบิน ไอ้พวกที่สองนี่ก็ลองหัวหน้าน่ยมันก็บินไม่ขึ้นอีกเพราะกำลังไม่พอใช่ไหมเออมันบินไม่ขึ้นเพราะบินไม่ขึ้นกับพอดีกับพรานน ก, กมาพอดีพอดีท่นี้มาเขาก็รวบเออตีนตาขายเขามาหากันแล้วกันแสววายเขาก็หดหดหดหดเลยนกเหล่านั้นก็เลยเตายหมดท่นี้ออพอในสุดนายพรานก็เลยถอนขนเอาลงก็ะทะทอด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 ไปหากิ่เวลากลางคืนพอจวนสว่างมาแล้วก็หาที่นอนไปเห็นไม้สะขาต้นหนึ่งออแล้วก็ไปนอนอยู่ใต้ไม้ร่มไม้สะขาต้นหนึ่งพอกำลังจะนอนหลับกิ่งไม้สะขอกิ่งแห้งมันก็เลยหล่นลงมาหักลงมาถูกหัวหมีพอดีหมีก็เลยโอ้กำลังจะนอนหลับ เ, ออเคิมเคิมกิ่งไม้ขอ้โดนหัว เก็บอย่างมากเลยหมีจะได้ก็เลยลุกหั อ, อเมียขึ้นมาโอ้เอาเถอะข้ามีโอกาสเมื่อไรข้าจะโค่นไม้ะอตะคีต้นนี้เด็ดขาดนะหมีก็เลยเดินออกมาต้วมเตี้ยงด้วยความโมโหนะ เ, เดินออกมาจากโคนไม้ตะเคียไม้สะคียนะพอเดินเสร็จแล้วออกมาก็มานอนที่อื่นพอนอนที่อื่นอพอนั่นแ่ะตอนสายสายมาถึนี่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 มีเห็นไดมีก็เลยเดินเข้าไปถามว่าพวกท่านเข้ามาอะไรมีก็ถามเขาบอกม า, มาหาอยากจะได้ไอ้ไม้งอนลถแอกรถมีก็บอกว่าไม้อยู่ในป่านี่เราเที่ยวมาในป่าดงพงไพรเนี่ยไม่มีไม้อันไหนที่จะแข็งแกร่งยิ่งกว่าไม้สะคอนะฮอเพราะนั้นน่พวกท่านอยากจะได้ไม้ที่แข็งแกร่งไม้ดีไหมเนี่ยเดี๋ยวข้าจะพาไปดู หมีก็เลยพาไปกับไปชี้ให้นี่แหละต้นนี้แหละเอ่อเอาเป็นแอกรถหอนรถดีที่สุดเออพวกนี้กับโอ้ใช่หมีพูดได้อีกต่างหากมันก็คงจะรู้ว่าไม้ดีไม้แข็งแต่นี่ก็พวกนี้ก็เลยวางทัพผสมพาระพวกเลื่อยพวกขวานพวกขวานพวกอาหารการกินลงจ็ตแล้วก็เตรียมตัวโค่นนะทนี้ และลุขะเทวดาเนี่ยอยู่ในโคนอยู่ในต้นไม้สาขอต้นนั้นอ่ะเอคือเทวดาเนี่ยภูมิเทวดาเนี่ยเทวดาที่อยู่ตามต้นไม้เนี่ยว่าภูมิลุกขะเทวดาลุกขะคืออยู่ต้นต้นไม้ภูมิมะเทวดาคืออยู่ยในพื้นดินนะแต่เนเทวดาก็อยู่ในอยู่ในต้นต้นไม้เทวดาก็โกรธขึ้นมาเอือธรรมดากิ่งไม้ทําไมล่นลง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 มาตัดให้ดได้ประมาณน่ะกัถากเสร็จเรียบร้อยละเ้าก็เตรียมตัวจะกลับบ้านนะท่านนีเทวดาจำแรงตัวให้เป็นมนุษย์ขึ้นมาท่นนี่เดินเข้ามามาหามาหาช่างโอ้ช่างทำอะไรโอ้ํำลังทำแอกรถงอนรถเออกำลังจะเสร็จแล้วจะกลับแล้วพวกสุเจ้าทั้งหลายอยากจะให้รถงามไหมรถสวยไหมเออ เอาเครื่องประดับให้มันสวยๆเลยดีไหมโห้ก็ดีอยู่แล้วถ้าได้เอาอะไรล่ะเอาอะไรประดับละท่านอา้าวจะไปยากอะไรนี่หมีเน่ยเอาหนังหมีหุ้มดำมืมเลยสวยงามเด้เอา้าจะหาหนังหมีที่ไหนอาจารย์เนี่ยเองช่างวะอ๋อจะไปยากอะไรเนี่ยหมีมันกาลังนอนหลับอยู่ไงย่องย่องไปเอาขวานสับหัวมันเลยเหมือนกันเสร็จแล้วก็ลอกหนังมันเสร็จแล้วก็เอาหนังมันไปหุ้มใส่หัวรถมือน เออมักระหนังหมีมันจะมีที่ไหนมืัอสวยงามเลยสิโอใช่ใช่ใชไอ้ไอ้ น, นี้ไอ้ช่างเน่เน่ก็พอได้รับคําจากลูกค้เทวดาแต่ก็ถือขวานไปก็ย่องย่องไปก็สับหัวหมีแล้วไงเถอะพอสับหัวหมีเสร็จแล้วแล้วก็ทะลกหนังหมีแต่ก็มัดใส่ไม้สะคอนี่ยก็เลยหามเข้ามาในบ้านเออเอามาเอามาเพื่อจะหุ้มหัวรถตัวเองเพราะพระองบอกว่านี่แหละ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 เพราะนั่นพวกท่านทั้งหลายอย่ายินดีในการจองเวรึ่งกันละกันนี่แหละคือทมคำสอนของพระพุทธเจา้าฟังเอานะลูกหลานนะคณะสัทธาญาติโยมนะหลวงพ่อเล่าในธานให้ฟังสองเนธานใช่ไหม เ, เรื่องนกเรื่องพระทะเลาะกันใช่ไหมเอาตอนนี้ไปประพรมน้ำพุทธมนต์บันี้หายเสนียดจันเลบันนี้นะ